คุณทสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รบค่ะเรามาต้อนรับการเข้าสู่วันแรกของสัปดาห์ลายเดือนเมษายนกันนะคะรายการสัสนสาีสนทนาดิชั่นสันสานีนาคพง์ก็ยังยืนหยัดอยู่ที่นี่ค่ะสารีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มตอนนี้เราก็จะนำท่านทั้งหลายนะคะเข้าสู่บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมในตอนเช้าตรู่โดยมีพระอาจารย์ซึ่ง ได้ดำเนินการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมให้กับผู้ฝักใยเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็สม่าเสม อ, สมอทุกๆเดือนนั่นก็คือพระมหาภพยบุญอภิปุโนเดี๋ยวเมื่อท่านทั้งหลายได้พบ ก, กับท่านเพบุญแล้วก็คงจะเริ่มต้นการปฏิบัติกันเลยนะคะตอนนี้เรากราบนมัสการท่านกันก่อนค่ะนมัสการท่านค่ะบในทุกๆวันการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราละทิ้งไม่ได้เลย เราเริ่มจากการที่เราเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงในลมหายใจลมหายใจของเราที่ผ่านออกผ่านเข้าอย่างเป็นธรรมชาตินี้ะเรามาระลึกถึงลมการระลึกถึงก็คือการนึกถึงนั่นเองการระลึกถึงนึกถึงลมหายใจนั้นให้เรามานึกถึงระลึกถึงนะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ถึงลมหายใจของเราได้โดยไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าจะต้องออนะกี่เซนติเมตรเข้ามาจากปลายจมูก เป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหรืออย่างไรแต่แค่พอจะรู้ถึงความรู้สึกนะหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานะหรืออาจจะหายใจเข้าหายใจออกแรงสัก2อสาครั้งรับรู้ถึงตำแหน่งที่เราพอจะรู้สึกถึงลมหายใจของเราได้ก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นเมื่อไรก็ตามที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อนั้นสติก็ตั้งขึ้นดั่งตี เหมือนก็เราใช้กายเป็นฐานนะเอาจิตตั้งเอาไว้สติก็จะเกิดขึ้นจิตที่ตั้งอยู่บนฐานคือกายคือลามหายใจของเรานี้สติตั้งขึ้นนี้บรุท้าก็จึงเรียกการกระทำอย่างเี้ยเรียกว่าอานาปานาสติจึงเป็นฐานในการที่เราจะมารู้ตามสติให้เกิดขึ้นด้วยเวลาที่เราเห็นสติของเราอยู่อย่างนี้มีสติตั้งขึ้นแล้วจะทาให้เรามีสมาธิได้ สมาสมาทีนี้จะเป็นเหตุที่ให้เรามารู้อริยสัจสีได้ด้วยอริยสัจสีที่พูดถึงนี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการที่ใครสักคนคนหนึ่งต้องมาทราบรับรูบร้ถึงเรื่องของสติได้กคยตรัสถึงความจําเป็นความเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องของการรู้อริยสัจสเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ว่าพิสุทธทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษมีอายุร้อยปีพึ่งกล่าวกับบุรุษ ผู้มีชีวิตร้ายปีอย่างนี้ว่าเอาไห่ละท่านเขาจะแทงท่านด้วยหอกร้อยเล่มตลอดเวลาเช้าร้อยเล่มตลอดเวลาเที่ยงร้อยเล่มตลอดเวลายเย็นเมื่อเขาแทงท่านอยู่ได้หอกสามร้อยเล่มทุกวันทุกวันจนมีอายุร้ายปีมีชีวิตอยู่ร้ายปีโดยล่วงไปแห่งร้ายปีแล้ว ท่านจะรู้เฉพาะซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่ที่ท่านยังไม่รู้เฉพาะหนังนี้พิสุตตองหลายกุลบุตรผู้รู้ซึ่งประโยชน์ควรจะตกลงก้ อ, อนั้นประเหต์ไปเล่าประเหตุว่าสัางสารวัตนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องการกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องปลกไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วดังนั้นเบื้องต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยเหลาด้วยขวานก็ไม่ปรากฏนี้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฉชนนั้นเรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสั์ทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยทุก กับด้วยโทมนต์ก็าหาไม่ได้เรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยสุขกับด้วยโสมนต์ทีเดียวอริยสัจสี่อย่างอย่างไรเล่าอริยสัจสีอย่างคือความจริงอรรมประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอรรมประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอรรมประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิสุตหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอบึงประกอบความเพียรอันเป็นเรื่องกระทาให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนัง น, งนี้เกิดและเมื่อถ้าเราตั้งสติเอาไว้พยายามที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นเห็นแจมแจ้งประจักษ์ในเรื่องของเรียสัต์4เราก็จะปลจากตกได้ น, นั่งอาจรย์ปานสัตว์ทุกค่ะท่านฟังท่างหลายค่ะและนั่นก็คือพระสูตรที่ท่านเฟยบุญแนะนำพวกเราสู่การปฏิบัติธรรมซึ่งเราทำไปเป็นประจำนะคะในช่วงตอนเช้าดังนั้นถ้า ท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะงงๆอยู่ก็ย้ําให้ทราบว่าเราเปิดโอกาสให้แม้กระทั่งอยู่ที่บ้านท่านเหมือนกับมีครูบาอาจารย์นําท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติกันตามสถานที่ที่มีการจัดคอร์สโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าดอนหายโศกของพระมหาภัยบลญอภิปุโนที่ได้นําท่านปฏิบัติธรรมกันไปท่านอาจารย์คะเดือนเห็นคําถามของลูกศิษย์ท่านละคะ ถามมาเกี่ยวเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่านั่งพิงฝาได้หรือเปล่าเลยท่านจะตอบก่อนหรือว่าจะอธิบายประสูตรก่อนอดีคะจริงๆเรื่องนี้ทําไปด้วยกันได้เลยเพราะว่าอจุประสงค์ที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยก็คือเพื่อรู้อริยสัจสในอย่างที่ที่ได้พูดมาเนี่ยเรื่องของอริยสัจสเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมารีบในการที่จะทําความรู้ให้เกิดขึ้นในใจทีนี้ก็มาอยู่ตรงประเด็นที่ว่าเอาลวไอการที่เรารู้เนี่ยเรารู้ที่ไหน นครัตอบมันชัดเจนคุณโยมติ ว, ว่าเรารู้อยู่ที่ใจถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายท่าทางมันจะเป็นยังไงเนี่ยเออก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเอาเอาแน่แนก่อนว่าคนที่จะมารู้อริยสัจสเนี่ยแน่นอนว่าจิตเขาต้องเป็นสมาธิแน่ถูกไหมไม่งั้นเขาจะจะไม่สามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้ถูกไหมค่ะเพราะนั้นถา่ว่าไอจ้จิตที่เขาจะเป็นสมาธิได้เนี่ยเออเขานั่งได้ไั้ยืนได้ไหมเดินได้ไหมนะครัตอบคือได้ทั้งสิน้น ไม่ว่าจะอยู่ในเอรีบดใดค่ะนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะนั่งพิงฝาหรือว่าเดินอยู่หรือว่าแม้แต่นอนอยู่ป่วยพา ง, งาพางานะบางคนป่วยพา ง, งาพา ง, งาอยู่ก็ยังตลอดรูท้ทำเห็นเรียสัตว์สีได้เหมือนกันแม้มีคำถามหนึ่งนะคะอ่าสำหรับวาระโอกาสในการที่จะปฏิบัติหากสมมุตินะคะไปวัด แต่ว่าคนอื่นก็มีกิจกรรมอย่างอื่นกําลังสนทน า, ากับพระคุณเจ้าอยู่อเราเลี่ยงมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆเขาทานั้นแหละค่ะอันนี้ถือว่าเหมาะสมหรือไม่คะก็สามารถทําได้สามารถทำได้าาไดนะคะคือว่าไอ้เรื่องของการพูดบางคนคุยสากระฉากันแล้วเห็นแจ้งแต่งตลอดในระหว่างที่พูดคุยกันอย่างนั้นก็มีลหลายๆคนที่พระคุณเจ้าเทศให้ฟังอย่างเงี้ยเช่นกฎเกณฑของท่านพระสารีบุตร หรือกับหลานของท่านพระสารีบุตรที่ชื่อว่าที่ชื่ออากิเวศนะอย่างนี้หรือแม้แต่เราฟังอยู่นะคนเขาเขาคุยกันเราฟังเขาคุยกันเราก็บรรู้ทำได้อย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นไม่ได้พูดกับเขาด้วยแต่ฟังเฉยเฉยก็ได้เหมือนกันค่ะงั้นก็นิมนต์ท่านไปในพระสูต ท, ที่ทได้นำปฏิบัติไปเลยเนื้อหาตรงนี้หลายหลายคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้โห เรื่องราวที่เราเคยฟังมาเช่นว่าเอาไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าใช่ไหมถ้าถ้าไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยคุณอย่าเพิ่งดับไฟที่ผมไฟไหม้ที่เสื้อผ้านะแล้วก็ให้มารีบรู้อริย ส, สัจสก่อนเนี่ยเอามาต้องการจะชี้ประเด็นว่าจริงๆแล้วเรื่องการรู้อริย ส, สัจสเนี่ยไม่ใช่เป็นไปกับด้วยความทุกข์กับด้วยโทมนัดนะคือบางคนอาจจะเข้าใจเลยถึงไปขนาดว่างั้นอย่าเพิ่งดับไฟนะให้มารู้อริย ส, สัจสก่อนพระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้น จึงในพูดในะที่ประจุที่พูดถึงในที่นี้เนี่ยก็เพื่อที่จะยืนยันว่าการรู้อริยสัจสเนี่ยเป็นไปกับด้วยความสุขกับด้วยโสมานัตทีเดียวเป็นยังไงก็คือว่าถ้าสมมุติคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยเขาจะต้องรีบทําโดยประการที่จะให้ใหไฟที่ผมกับไฟที่เสื้อผ้าเนี่ยรีบดับโดยด่วนถูกไหมคุณโยมเสี่ยนวะคือเข า, าจะไม่ไปกินข้าวก่อนเขาจะไม่โทรหา ดับเพลิงก่อนเขาจะรีบดับไฟที่ผมไฟที่เสื้อผ้าของเขาก่อนโดยสาก่อนที่จะเดินก้าวต่อไปก่อนที่จะทําอะไรต่างๆเหล่านั้นเนะีซึ่งซึ่งพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบเพื่อให้ยกตัวอย่างกลับมาเนะีเพื่อที่ก่อนที่คุณจะไปทำอะไรนู่นอย่างนี้อะไรก็ตามเนี่ยให้รีบมารู้ไอ้สัจสีด้วยความเร่งด่วนความที่คุณจะใช้กําลังพลังคุณทั้งหมดเหมือนอย่างตอนที่คุณดับไฟอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเฉยเนะี่อุปมาอุปไมยเฉยแล้วซึ่งอยู่ในพระสูตรเดียวกันเนี่ย ก็พูดถึงการที่เราถูกหอกแทงนะวันละ300เล่มนะเชา้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแลกกับการที่เราจะมารู้อริยสัจสได้เนี่ยให้รีบตกลงพูชาบอกให้รีบตกลงนะถ้าถ้ามีมีคนมายื่นข้อเสนอนี้นะให้รีบตกลงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะมารู้อริยสัจสได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา ย, ยาวนานตลอดสังสารวัฏเนี่ยแล้วยาวนานตลอดสังสารวัฏเนี่ย จะมานับว่าถูกหอกแทงกี่เล่มกี่เล่มเนี่ยมันนับไม่ไหวเพราะมันเยอะกว่ามากแต่การที่เราจะรู้แค่ว่า3ามร้อยเล่มแล้วจบนะแล้วคุณจะจบได้คุณจะไม่ต้องไปถูกหอกแทงอีกอันนี้ควรจะรับไว้นะเพื่อเปรียบเทียบอีกเช่นเดียวกันใช่เป็นกรณีเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าต้องเอาหอกมาแทงคุณจริงๆนะแต่เป็นอุปมาอุปไม่ว่ามันมันสำคัญมันควรจะต้องตกลงนะซึ่งการรู้เสสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นไปกับด้วยทุกกับด้วยโธมนัส คำนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าเดิมที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแกว่งเท้าหาเสียนหรือหาทุกใส่ตัวในการที่เราจะมารู้อริยสัจ ส, สี่นะซึ่งโพธิสัตว์ทำมาแล้วแล้วมันไม่เวิร์กนะคือหาทุกขมาใส่ตัวประปลีป่ยเปลี่ยนนั้นภาษาบาลีเขาใช้ก็เรียกว่าอตตากิรังมะถานุโยกนะคือการประกอบตนอยู่ในความลําบากนะไม่มีอริยปัญญาเกิดขึ้นนะแต่ว่าการรู้อริยสัจสเป็นไปกับด้วยสุข ก, กับด้วยโศมนัสทีเดียวนหมายความว่า ถ้าเรารูวอริยสัจ4ีแล้วตัญหาเราละไปความทุกข์ในใจเราปล่อยวางได้ขนันหน้าไม่มายึดเกาะทำให้เราหนักนของหนักเราวางลงเราก็จะเบาความเบานี้คือความสุขสมนานัทต่เกิดขึ้นตรงนี้นค่ะ<ม>ก็เท่ากับว่าอุปมาอุปมยนี้จึงหมายความว่าการรูร้อริยสัจสีนั้นสำคัญเหลือเกินจะต้องแลกกับความเจ็บปวดมากมายปางตายหรือว่าตายไปเลยนี้ก็ต้องแลก ก็ควรจะต้องทําแต่มันได้หมายความว่าอันนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะแต่เป็นอุปมาประมาทเฉยนะใ ช, ใช่ค่ ะ, ะแล้วก็เพื่อเป็นไปมิได้เป็นไปกับด้วยทุกข์และโทมนัสใช่ที่ท่านพูดใช่ไหมคะใช่คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าต้องไปทรมารร่างกายเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยทําแล้วอืมัมนเป็นทุกขะระกิริยานฉันเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินประโยคนี้กันบ่อยๆนะคะแล้วก็บางทีเห็นภาพด้วยี่เขาวาดบ้าง ทําให้เราจินตนาการบ้างว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรมานซะ จ, จนกระทั่งพระวร ก, กายเนี่ยมีแต่หนังติดกระดูกระดกระดูกสันหลังเลยด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ซึ่งไม่ได้ว่าต้องไปทนทุกข์ขนาดนั้นะนะแต่ว่าการทําการกระทําอะไรที่ควรจะเหมาะสมเราก็จึงต้องต้องมาไคลไฟตรงนี้คุณโยมติวา่าถ้าอย่างนั้นฉันก็แบบดื่มกินเที่ยวเล่นนะจะมารู้อริยสัจสีได้ไหมอันนี้ก็ต้องมันสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งแล้ว <น> ค, คือไม่ใช่สุดตรงข้างที่ว่าทรมานตัวเองแล้วก็ไม่ใช่สุดตรงขนาดที่ว่าคุณไปดื่มกินเที่ยวเล่นแล้วคุณจะก็อรอใกล้ๆตายแล้วก็มารู้ออันสัตวอันนี้ประมาทประมาทค่ ะ, <น>ะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยเพิ่งไปเห็นข้อเขียนในธรรมนองที่พูดถึงเรื่องของคนที่จะพึงรักษาสีมจะลดหลั่นกันไปตามประเภทของคนโก็ถ้าคนทั่วไปตามธรรมดาเนี่ยก็รักษาแค่ศีห mm ้า hmm. ถ้าเป็นเนนก็รักษาศีสิบ ถ้าเป็นพระรักษา227อย่างเนี้ยค่ะอ่าดิฉันก็อยากจะทราบว่าแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะบรรลุธรรมขั้นสูงๆงขึ้นไปสมมติว่าเราเป็นคนธรรมดาเพราะพระพุทธองค์ก็ตรัสเหมือนกับว่าการบรรลุธรรมนี่เป็นไปได้ของทุกทุกคนที่เข้าไปอยู่ในกระแสแล้วก็ปฏิบัติตามใช่ไหมคะใช่ใชทีนี้จึงอยากทราบว่าในบทความที่ดิฉันเห็นเนียว่าคารวะสีลห้า เนนสิน10พระศินสองร้อี่สิบอย่างคราวาสสินห้านี่พอตัวที่จะไปบรรลุธรรมได้หรือเปล่าคะ่ะการที่ใครสักคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้เนี่ยบุรุชาได้กล่าวถึงอินทรีนะอินทรีย์5ประการนะแต่อินซีเนี่ยเป็นคําที่เรียกรวมคุณธรรม5อย่างนี้ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะคุณคต้องมี5อย่างนี้นะคุณถึงจะเรียกว่าบรรลุได้ถ้า5อย่างนี้คุณแก่กล้า นะก็คือบรรลุได้เร็วถ้าอย่างนี้คุณอ่อนอ่อนตอนนี้แต่จะไปแก่กล้าตอนแก่แ ก, าแกาอายุมากแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนก็จะบรรลุได้ชา้าเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุได้อยู่ที่5อย่างตัวนี้ถามว่าใน5อันเนี้ยมีศีลไหมเออมีศีลไหมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาศีลไม่มีนะจริงๆศีลมันแฝงอยู่ศีลนะมันแฝงอยู่ในเรื่องของวิริยะคือความเปลียนนั่นแหละแตนะ่ว่าเราจะต้องเอาอากุศลออกจากใจนะเอากุศลกุศลธรรมเข้าไปในใจ เรื่องของสีเนี่ยเป็นการปิดกั้นวาจากับปิดกั้นเรื่องของการกระทํำทางกายนะปิดกั้นอะไรปิดกั้นอกูสตธรรมไม่ให้มันเข้ามาเพราะนั่นมันก็จะแฝงอยู่ตรงนี้นะถามว่าเอแล้วถ้าเราเป็นคารวาสรักษาศีลห้าพี่เนรสามาเณรนักษาศีลสิพระนักษาศีลมากไปกว่านั้นเนี่ยเออความเป็นปกติศีล น, นี่แปลว่าความเป็นปกตินะคุณหยมติวนะเป็นปกติของสามเณรน่ยยยะที่เขาจะไม่เสพเมตุนเป็นปกติของสามเณรที่จะไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาตธรรมดาเนี่ย คุณรักษาศีลถ้คุณก็กินข้าวเย็นได้ไม่มีปัญหาคุณมีคู่ครองได้คนเดียวได้ไม่มีปัญหาแ ล, แล้วก็เป็นปกติของพระที่จะมีทรงผมแบบนี้เพราะฉะนั้นความเป็นปกติของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปข้อนี้ก็คือศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยพระเจ้าจึงไม่ได้ฟันธงออกไปว่าจะต้องมีกี่ข้อกี่ข้อแต่ว่าให้อยู่ในตหมวดของความเพียรที่มีการป้องกันวาจาป้องกันกายของเราให้ดีนะตามระบบที่คุณอยู่ตรงนั้นถึงจะถูกต้อง อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจะบรรลุธรรม<ช>จะต้องอมีอินทรีย์ห้าสำหรับบทความที่ดิฉันกล่าวก็จึงไม่ได้ผิดถ้าหากว่ า, าพูดอย่างนั้นก็กินความเพียงแค่ว่ า, วาสิงที่ได้บัญญัติเอาไว้สำหรับคนในประเภทต่างๆบุคคลในเครือเพศต่างๆถูก ห, หรคะสักเพศสำนเพณเทศค่ะ ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอันนั้นก็ถูกแล้วถูกต้องถูกต้องนะคะทีนี้มันอยู่เป็นผลของอะไรคนที่จะรักษาสีในระบบต่างๆเนี้ยอย่างครวาสรักษาศีล5แม้แต่ฉันไม่อยากรักษาศีหน้าเลยฉันอยากกินเหล้าอยู่ก่อนแสดงว่าศรัทธาความมั่นใจในคําสอนเขาเนี่ยไม่เต็มคือไม่มั่นใจ 100% ทําให้การทําของเขาเนี่ยไม่เต็มนะคุณโยมเติวนี่ยว่ามันไล่กันมาศรัทธาคุณต้องมีนะคุณมีความมั่นใจในระบบหรือแบบวิธีการปฏิบัติคุณจึงออกมาทําในข้อ2คือวิทยาตรงนี้ ทีนี้ฉันทําได้ไม่เต็มก็แสดงว่าศรัทธาคุณไม่เต็มโอ้โทีนี้บางคนนี่มีศรัทธามากขึ้นแหมมันอยากจะบวชยาประพฤติประมาจันแล้วก็ก็บวชเป็นสามเณรบางคนมีศรัทธามากขึ้นเนี่ยจะบวชยาประพฤติประมาจันให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันก็มากน้อยแตกต่างกันทําให้อ่าการที่มันจะไหลไปสู่ความเพียรมีสติตั้งขึ้นได้สมาธิเกิดขึ้นเห็นปัญญาเนี่ยมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปเร อันนี้จะมีอันนี้สงในแต่ละข้อของมันแน่นอนเชนพอนค่ะค่ะแล้วดิฉันเองก็เห็นช่วงนี้เขากำลังมีข่าวคราวนะคะว่าผู้ที่เคยเป็นพระสงฆ์มีชื่อดังแล้วก็มีปัญหาว่าทำความผิดอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ต้องอเหมือนกับออกจากพระสงฆ์ไปคือทิ้งพูดตรงๆอย่างเช่นยันตราอย่างเงี้ยนะคะเช่พอ น, นอ่า ท่านกลับมาก็ในลักษณะที่ไม่ได้แต่งตัวเหมือนพระเสืท้ทีเดียวนะคะท่านไว้ผมยาวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องสมมุติต่อนะคะว่าสมมติคนลักษณะเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เรากําลังกล่าวถึงละอแต่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระศ า, าสดาให้บรรลุธรรมอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะเอะก็ถ้าก็น่าจะเป็นไปได้ก็อย่างนะไปขออาหารอ่าบางคนก็บอกว่บิดาบาตผิดใช่ไหมคะ Uh huh. แต่ถ้าคนในลักษณะเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วก็ไปขออาหารคนอื่นเพื่รับประทานแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติไปจนบรรลุสามารถทําได้ไหมคะเอ่อเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเป็นที่เรื่องของใจเนีเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้เลยเนี่ยพระเจ้าได้พูดถึงไว้คือคนที่ทําอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ <c oughs> ่าแม่ฆ่าพระอานนท์ทำสง์ให้แตกกันตามพระบูชาใน ห, หอเหลือ่อน จะไม่สามารถบรรลุเป็นโสดาบันได้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ไม่ได้แต่ถ้าคนที่เป็นประชิกไม่แน่ว่าทําจริงหรือไม่ทําจริงก็แล้วแต่อันนี้ไม่รูนะ้หรือว่าคนที่ผิดศีลตรงนั้นตรงนี้ก็แก้ไขเอาพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นกรณีใดๆที่คนที่ทําผิดประเภทนี้แล้วจะไม่ได้บรรลุธรรมพระภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติของเรื่องสี่ขาบทต่างๆที่ร้ายแรงก็ตามที่ธรรมดาก็ตามเนี่ย ภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุ ธ, ธรรมอัตมาก็ก็เคยมีปรากฏที่อยู่ในพระไตรปิฎกเขก็ได้พูดกันเอาไว้เพราะนั้นก็เป็นไปได้ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตตรงนี้ค่ะ อ, อที่กราบเรียนถามท่านเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อที่จะไปรับรองใครนะครับเพียงแต่ว่าอยากเรียนถามให้ทราบในหลักการของพระพุทธเจ้าอือันนี้หมายความว่าถ้าทํากรรมหนักอนาตริยกรรมเช่นฆ่าประสงค์ ข้าพ่อข้าแม่ขอไปทานโทษค่ะอบแล้วจะทําพุทธเจ้าให้ห่อเลือดใช่ไหมคะนอกจากนั้นเป็นอะไรนะคะที่บรรลุทำไม่ได้ค่ะค่าพระอรหันต์ค่าพระอรหันต์ใช่ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันจะบรรลุทําไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้ตองต่อให้ทําความดีในตอนหลังก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในชาติปัจจุบันนี้นะแต่แต่คือคุณต้องไปตกอาวจชีหานรก่อนจนพอมันจะหมดกรรมนั่นแหละแล้วคุณเกิดในชาติต่อต่อไปก็อาจจะ ได้อย่างกรณีของท่านพระเทวทั์เป็นต้นนะค่ะนะนะคะอันนั้นก็เป็นคำถามที่สมมุติเหตุการณ์ขึ้นม า, อ, าอีกคำถามนึงค่ะดิฉันดูโทรทัศน์แปบ๊แปบๆก่อนจะมาจัดรายการกับท่านเนี่ยค่ะว่า <c oughs> มีคนพูดถึงว่าวันพรุ่งนี้ระบุวันที่ไปเลยนะคะแล้วก็วันนั้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงบางคนเลยขวัญเสียไปเลย <c oughs> จะมีภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ซึ่งถ้าถ้าเกิดเหตุการณนะ์นั้นขึ้นจริงๆเลยนะอาจจะมีคนที่รอดได้ก็กมีอาจจะคนที่ไม่รอดก็มีนะอันนี้คือพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับพระเจ้าพระเศสนิโกศนในที่พูดถึงภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามีภูเขาหินศิลาใหญ่เนี่ยกำลังกลิ้งบดมาจากทั้ง4ทิศนะใครถูกใกล้เข้าไปภูเขาหินนี้ก็จะถูกดูดเข้าไปแล้วก็บดบี้ขยี้แหลกหมดแตนะไม่มีใครรอดได้เลย นะักบุญเจ้าก็ถามพ <Okay. S 1> ระเจ้าเปรติโกศลว่าจะต้องทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้นนะัประชาประเปรติโกศลก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ต้องรีบประพฤติทำแล้วนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมสร้างกุศลบําเพ็ญบุญให้ใหดีให้เรียบร้อยนะก็เป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบว่าความแก่ความตายนี่แหละคือมหาภัยอันร้ายกาจที่ไม่มีใครรอดเลยนะภัยธรรมชาติพวกนี้จะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้บางคนรอดก็มีบางคนไม่รอดก็มีแต่ถ้าความแก่ความตายมาถึงใต้ทุกรายไม่มีใครที่จะรอดได้เลย เราควรจะรีบมารู้เอเสสสีเพื่อที่จะพ้นจากภัยอันเนี้ยนี่คือสำคัญที่สุดท่านใดที่ฟังรายการนี้ต่อเนื่องมาท่านเพูนเพิ่งสอนไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะใช่เรื่องพระเจ้าประเซนที่โกศลเนี่ยก็สามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เพิ่งไปภูเก็ตกับกระบี่มานะคะพังงานด้วยแถวๆนั้นก็มีคนพูดถึงกันมากจากเหตุการ์ศิลามิมที่พูดว่าแหมมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่มี บางคนบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่โชคดีนะโชคร้ายด้วยซ้าที่รอดมาเพราะว่าคนที่รักๆเสียชีวิตหมดทรัพย์สินเสียหายหมดก็คงจะต้องคำนึงถึงประศุนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่รอดมาเนี่ยดีนะเราได้ทำความดีต่อไปค่ะท่านคะทีนี้เสียดายเวลาหมดจริงๆมีประเด็นที่จะถามอีกก็คงจะต้องกราบมนมันสการขอบพระคุณท่านในวันนี้ต่เพียนเท่านี้ก่อนน ะ, นะคะเานเน ในมรดกการขอว่าคุณอย่างยิ่งคะ่ะเ่อน้อฟังคะวันนี้ก็ได้ประเด็นทั่วๆไปก็คือเรื่องของการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นจะนั่งพิงฟ้าหรือทําอะไรก็ได้มันสาคัญที่จิตนะคะแต่ว่าในส่วนที่ท่านนําเอาพระสูตรมาบอกกับเรานั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับการรู้อริยสัจเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องยิ่งยวดคือมีความสําคัญมากเปรียบเทียบกับพระสูตรที่ว่าจะต้องแลก กับการที่ถูกประหารด้วยอาวุธแหละมะคมทั้งดาบทั้งหลาวทั้งขวานเป็นต้นค่ะกับสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ท่านก็พูดถึงเรื่องของการบรร ล, ลุธรรมขึ้นอยู่กับอินรี่หในส่วนของเรื่องการรักษาสีนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สรุปสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธองค์นั้นได้บัญญัติเอาไว้อย่างละเอียดละอ่อนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จ ในการที่จะบรรลุธรรมในการที่จะสิ้นกรรมแล้วก็รูปแบบนั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสําคัญอยู่ที่การกระทําที่จิตตามคําสอนของพระศ า, าสดาวันนี้เราก็คงจะลากันไปนพิธีเทุานี้ก่อนน ะ, นะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันต่อไปอก็กราบนรัสการขอบพระคุณตาหมาไปบุญอภิพปุณยวัตปรป่าดอนหายโสดรนธานีและสําหรับพวกเราก็จะมาพบ นในวันพรุ่งนี้เตรียมตัวปฏิบัติธรรมกันตอนต้นรายการด้วยนะคะกับสัมสีนิสนธนาดิฉชัน ส, นสนันมสีนาพงศ์พุทโธสวัสดีค่ะ